ก็ได้พูดถึงทุตสาสิทธิ์ที่ว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งอันนี้ก็มีที่มานะที่มาของภาสิทธินี้ก็สืบเนื่องจากมีคราวหนึพระพทธองค์นะได้เสด็จไปเมืองอาโลิีเพราะว่าทรงพิจารณาเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งในเมือง น, นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่พร้อมที่จะรู้ธรรมทงทรง ยานอย่างเห็นถึงความพร้อมทั้นอินทรีย์ของคนเหล่าของคนนั้นก็เสด็จไปก็ไปถึงตั้งแต่เช้าไหปกติพระองค์ก็จะก็จะแสดงธรรมหลังจากที่ฉันเสร็จแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพระองค์ฉันแล้วนี่ก็ยังไม่แสดงธรรมทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพื่อรอชายผู้นี้ชายผู้นี้นี่บังเอิญเช้า ว, วันนั้นเนี่ย วัวที่เลี้ยงเอาไว้นะมันมันัดหายไปเดิมทีตั้งใจแล้วจะว่าจะไปฟังธรรมจากพรนะพุทธเจ้าแต่ว่าวัวเนี่ยต้องไปตามวัวนะที่หายไปกว่าจะตามเจอแล้วก็กว่าต้อนได้ <c oughs> กลับไปเข้ากอกตามเดิมนี่ก็ก็สายแล้วแต่ว่าด้วยความศรัทธาเขาคิดว่าได้ไป คือก็รู้นะว่าพวะเจ้าคงแสดงทรรพระเจ้ามันแสดงทรรไปแล้วแต่ว่าถด้ไปได้ไปกราบพระองค์ก็ยังดีพอเอาวัวต้อนข้าวเก็เลยเดินไปนั่ไปหาพระเจ้าพระเจ้านะซึ่งรอชายผู้นี้พอเห็นก็แทนที่จะแสดงธรรมทันทีนะพระองค์ก็บอกให้คนเนี่ยเอาอาหารไปให้นะพวกกินก่อนข้าวมันสายแล้วชายผู้นั้น ไ, ได้กินข้าวมันจะเช้าเลยเขาไปตามวัวก็เป็นที่แปลกใจนะของคนทั่วไปว่าอ ทําไมพระองค์ถึงไม่แสดงธรรมเลยนะคนก็อส่าหรอะนะพอใช้ผู้นั้นกินอาหารเสร็จนะพระองค์จึงแสดงธรรมแสดงธรรมจบนี่ชายผู้นั้นก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบาันลตอนหลังนะขาตกลงก็มีพระถามว่าทําไมพระองค์ถึงทําเช่นนั้นพระเจ้า ก, ก็เลยอ่ะตัดเป็นพามเส ร, ร็จว่าความถือเป็นโรคอย่างยิ่ง แล้วก็กัดต่อไปว่าเนี่ยังขายก็เป็นทุกอย่างที่อันนี้ก็เป็นเป็นแม่คิดนะว่าการที่อ่าการที่จะโปรดให้คนในี่ไบรรลุธรรมเนี่ยพระองค์ก็เห็นว่าต้องช่วยให้เขารับความหิวเสียก่อนชายพวนั้นนี่ยังหิวอยู่เลยนะแต่ว่าด้วยศรัทธา ก, ก็มากราบพระเจา้าแต่พระองค์ก็รู้ดีว่านะถ้าท้องยังหิวเนี่ยนะจะฟังธรรมก็คงจะไม่ ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่หรือว่าฟังได้ไม่ไม่ดิบพรองก็แเลยให้เขากินข้าวซะก่อนกินข้าวสเสร็จเนี่ยพอความหิวมันหายไปแล้วนะใจก็ค่อยๆพร้อที่จะเปิดรับความทำพอพวกแสดงทำเขอก็บรรลุธรรมทันทีอันนี้ก็แสดงว่าการกับใจก็สำคัญกันนะจะเรียนรู้ธรรมจะจะเข้าใจธรรมะเนี่ยนะไอการการกินเนี่ยเพื่อมาบรรลุความหิวก็มีความสําคัญมากเรื่องนี้ก็ ค, คล้ายๆกับเรื่องของอ พระกลุ่มนึงก็จะมีโยมเนี่ยนิมนต์ให้มาให้มาพักที่บ้านของเขาเ้านะมีที่กว้างใหญ่ก็มีพระอยู่กลุ่มนึ่โยมคนนี้ก็เป็นเศรษฐีนะเป็นเศรษฐินีนะก็ไม่ได้รู้เรื่องพุทธศาสนาอะไรแต่เห็นพระนี่กลุ่มนี้สํารวมต่อหลังพระพระก็มาอยู่นานทีเดีวนะเป็นเดือนต่อมาเนี่ยทางเศรษฐีนี้คนนี้เนี่ยก็ได้พิจารณา คือเดิมทีก็มีเพื่อนในเรื่องการปฏิบัตินะแต่ต่อหลังภาคผิวนี้แนะนําการปฏิบัติเรียกว่าให้เจริญใจขตาสติพิจารณาเห็นความไม่งานของกายที่เจรินาไปพบาว่าก็บรรลุธรรมเลยนะตัวคนสอนนี่ยังไม่บรรลุเลยนะแต่ตัวผู้หญิงเนี่ยอุบาสิกาตัวนี้บรรลุธรรมไปแลนะ้วเป็นภระนาคามีแล้วก็มีอํานาจจิตนะอุบาสิกาทั้งนี้ก็ น้อมจิตยอย่างไปถึงพระเหล่านี้ว่าท่านมีอะไรจิตขัดหรือเปล่าก็พบว่าอาหารที่ได้รับเนี่ยมันไม่ค่อยพอเพียงเท่าไหร่ทาให้การปฏิบัติของพระกลุ่มนี้เนี่ยไม่ค่อยคืดหน้าอุบาติกาก็เลยทําให้คนใช้ได้เพิ่มอาหารแล้วทําให้อาหารเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นปรากฏว่าพอพระท่านได้อาหารที่สมบูรณ์เนี่ยาการปฏิบัติธรรมก็เตือนก้าวหน้าจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เลย เพราะฉะนั้นในเรื่องของอาหารกายก็สําคัญนะสำหรับจิตใจนะที่จะเปิดรับธรรมะการปฏิบัติธรรมเนี่ยนอกจากความตั้งใจหรือว่าความเพียรแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็สําคัญ mm hmm. เช่นสถานที่หรือว่าอาหารที่จะหล่อเลี้ยงกายพระพุทธเจ้าถึงแนะนําว่าเวลาจะปฏิบัติธรมธรมก็ต้องปฏิบัติในที่ที่สับายยนะ สัพพยาคือสบายแต่สบายะที่นี้หมายถึงว่าเพื่อพูนต่อการปฏิบัติไม่ใช่สบายแบบสมัยนี้นะสา ย, นะยนี้มันสบายแล้วก็เลยไม่ทําอะไรเลยแต่สัพพายาเนี่ยเป็นความเพื่อพูนเพื่อเพื่อเพื่อสะสมการปฏิบัติสัพพยาด้านหลายด้านก็ได้แต่ด้านเสนาสนะที่พักด้านอาหารนะรวมทั้งผู้คนวดลอ้อมทั้งสิ่งแวดล้อมนี่ก็สําคัญนะรวมทั้งการกินอาหาร แต่ว่าการกินในที่นี้เนี่ยถ้ามันมากเกินไปอาจจะระงับความหิวทางกายจะไปเพิ่มความหิวทางใจคือกระตุ้นความอยากความหิวทางการต้อ ง, ต, องบบต้องบําบัดต้องบรรเทานะด้วยการกินแต่ความหิวทางใจนี่จะไปพลเพลจะไปพลเปพลตลอดเวลานี้ไม่ได้เพราะว่ า, ย, ายิ่งพลเพลยิ่งหิวยิ่งอยากมากขึ้นบางทีต้องวิตกกังวลด้วย คามหิทางใจคือความอยากนั่นเองอยากข้อติดใจในรถอะไรอร่อยนะถ้าไปคนเปรอนะก็ทําให้ไม่รู้จักพออยู่ร่างไปเอาแต่เรียกร้องเดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยนะได้รับ ก, การคนเปรนะ์มากนะแต่ความหิวทางกายนะไม่เคยเป็นปัญหาเท่าไหร่แต่เกิดความหิวทางใจอยากได้ไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็ความอยากก็ขยายตัวมากขึ้นนะไม่ใช่แค่เพิ่มปริมาณแต่ว่าเพิ่มชนิด ความต้องการด้วยก็ทําทให้เกิดความทุกขึ้นมานี่เราต้องแยกแยะนะไอ้ความหิวทางการต้องต้องบำบัดด้วยอาหารแต่ว่าความหิวทางใจหรือเพราะความหิวในรสชาติความปรตอร่อยความสะดวกสบายความสนุกสนานพวกนี้ถ้าไป บ, บาําบัดไปบรรเทาอยู่ร่ำไปบรรจะกายเป็นผลเสียได้ เกิดความโลภเกิดความอยากไม่ได้จับจบไม่ไ้จับสิ้แล้วก็กลายว่ากลายเป็นทุกข์เป็นความทุกข์ท่ามกลางความอารมสมบูรณ์ท่ามกลางความทั้งพร้อมทัม้งวัดท้องคนเราเมันมีจํากัดกินกินถึงจุดหนึ่งมันก็อิ่มละความอยู่ทางกายเนี่ยมันมันบำบัดได้ไม่ยากเพราะว่าท้องคนเรามันจํากัดนะแต่ความอยู่ทางใจนี่มันบําบัดให้เกิดความเต็มอิ่มได้ยาก เพราะว่ามันอยากได้ไม่จับจบกจึงไมจากสิ่งอันนี้ก็ต้องรู้จักแยกแยกอยู่ในการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าปฏิบัติด้วยการเจริญสติหรือด้วยการรู้จักกินอย่างมีสติเนี่ยมันก็เป็นการฝึกให้รู้จักเยียวยาความหผิดทางใจงไม่ใช่ด้วยการเปิดตอบสนองนะแต่เ้วยการรู้เท่าทันแล้วก็รู้จับอดกั้นด้วยอันแล้วก็